أشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم ب ك أصبحنا وبك أمسينا وبك نموت وبك نحيا ويليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك م س ت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 อัลฟาิที่รักทั้งหลายครับขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่อัลลอให้เรามีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนอันเป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดในรอบปีเดือนรอมฎอนทั้งเดือนเนี่ยทุกนาทีมีความประเสริฐ มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์สำหรับคนที่ใช้ชีวิตตามคำสอนที่ Allah, อัลลอห์เลรอยซุได้สั่งให้ปฏิบัติมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์เมื่อคืนนี้มีแขกมาใช่แขกเราคนรู้จักกันมามานมาดแล้วก็มารับบริจาค ซึ่งเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปช่วยพี่น้องที่อยู่ในประเทศซีเรียก็ได้บริจาคไปทำอยู่แล้วจะต้องเก็บไปเรื่อยๆนะครับท่านได้พูดว่าเดือนอมออนที่มาเนี่ยเปรียบเสมือนอะไรนะแขกเปรียบเสมือนแขกดูยฟแขก ที่มาเยือนเราเนี่ยแต่ว่าแขกนี่เป็นแขกของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาแหลทันยกตัวอย่างดีก็บอกว่าอย่างเรารู้ว่ามีแขกจะมีแขกมาที่บ้านเนี่ยคนทั้งบ้านเนี่ยต้องต้องเตรียมตัวเตรียมใจยิ่งแขกสาคัญสำคั ญ, คญหรือว่าอา้าวนายกจะมาแวะที่บ้านเราสักชั่วโมงหนึ่งมากินน้ำชาอย่างเงี้ย เราต้องดูแลบ้านเราให้ดีให้ดูลูกแต่งตัวให้สามีภรรยาแต่งตัวดีๆต้อนรับแขกในขนาดคนนะแต่แขกที่มาอยู่ที่บ้านเราตั้งยี่สิบเก้าวันถึงสาวสิบวันเนี่ยแขกที่มาจากอัลลอฮฺ س ب ح วตาและ้าเราจะไม่ต้อนรับดูแลให้ดีกันนะั้นอ นี่เป็นคำอธิบายดีนะครับเข้าใจง่ายฉะนั้นวันนี้แขกเนี่ยมาอยู่ที่บ้านเราแขกที่มาจากอัลลออัลลอฮฺส่งมามาอยู่ที่บ้านเราแล้วก็แขกคนนี้นะ่ะถ้ามาอยู่บ้านเราเนี่ยอัลลอฮสั่งให้ต้อนรับแขกอย่างคน <c oughs> ที่มาอยู่บ้านเราเนี่ยกี่เรื่องอ่ะหนึ่งระหว่างที่แขกอยู่บ้านเราสามสิบวันหรือยี่สิเก้าวันเนี่ยต้องอดอาหาร เาสั่งเาอต้องอ่านรอัลกุรอานนี่อย่างที่อ่านตอนเช้าเนี่ยขณะเนี้ยนี่น่ะเป็นการปฏิบัติที่ดีที่สุดละแล้วอ่านรอกุรอานช่วงไหนดีที่สุดกว่าครกุรอานอัลฟจริกนะมัชฮูดะการอ่านกุรอานในตอนซุบฮ์เนี่ยหลังจากน้มาซุบฮ์เนี่ยการนัมัชฮูดมัชฮูดหมายถึงมาลาอิกา มราริกา์เนี่ยเป็นพยานมราริกา์สองกลุ่มด้วยนะนี่กลุ่มที่จะออกกับกลุ่มที่จะเข้ามาเข้าเวนมราริกา์ที่ออกออกเวนตอนกลางคืนมาอยู่กับเรามาคืนเนียที่จะออกตอนเช้านี่แหละแล้วก็เวนที่จะเข้ากะตอนกลางวันก็มารวมกันตรงนี้ในเวลาเดียวกันวอคุรอนัลฟาจริกานามาชูฮูดามราริการ์สองกลุ่มมาเป็นพยาน เดี๋ยวมลัยกาจะขึ้นไปข้างบนเข้าเฝ้าอัลลอฮฺ سبحانه แะุ์ุประจานอะไรงานเนี่ยอัลลอฮฺทราบพวกบ่าวของท่านทําอะไรบ้างอัลลอฮฺจะถามว่าตอนที่ท่านมาเนี่ยบ่าวของฉันกําลังทําอะไรคําตอบก็คือว่าพุ่มอยู่ซอนรูนขายกำลังนมานกันอยู่เพรานั้นการอ่านกุณวรอ่านในเดือนอมบดับนี่อ่านหลังนมานนี่ดีที่สุดเนี่ยหลังนมานซุบ สักหนึ่งใบหรือหนึ่งแผน่นคนที่ขยันมากก่าหนึ่งยูสไหวไหมหนึ่งยูสอยู่ที่ใจถ้าใจรักอัลลอฮ์รักกุรอานอ่านประจาําติดต่อกันหนึ่งยูส์ในแผ่นเดียวหลังนมาดดฮูรีนมาฮด์บายอีกหนึ่งยูสหลังนมาฮดอัลรีอีกหนึ่งยูสหลังนมาฮดมักรีบอีกหนึ่งยูสมักรีบคงไม่ไหว เพราะว่าอาหารมันรออยู่ของแย่นะเนี่ยถ้าเราอาาร่านกุณอาา่านแน้วแขกที่มาอยู่บ้านเราเนี่พอใจหมดเลยแต่ระหว่างที่แขกอยู่บ้านเราเนี่ยห้ามนินทาห้ามดา่าห้ามร้องเพลงห้ามดูละครห้ามห้ามห้ามห้ามหมดโอ้โหบ้านเรามีบรากาศไหมเนี่การยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นการยกตัวอย่างที่เข้าใจง่ายนะเอา วันนี้เราต้องขอบคุณอัลลอ์นะที่เราได้ตื่นขึ้นมาทานสะฮุนแต่ผมนี่ไม่ได้ทานมะตกใจตื่นตอนได้ยินเสียงอาจาร์พอดีอัทำดูเรียนแล้วไม่มีปัญหา <c oughs> ฉะนั้นการอ่านคุณอ่านในตอนสุบนนี่ดีไหมดีแตนี้เราอ่านแบบรู้ความหมายและคำอธิบายด้วยอะทำดูเรียนแล้วเนี่ยเป็นความประเสริฐเป็นความดนะีเอาวันนี้เรามาถึงสูรอ อันนหลูอันนหลูแปลว่าพึ่งตัวพึ่งเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งแล้วก็สัตว์ทั้งหมดที่เอลลาลอร้ามาบนโลกดุนยาไปนีเนะอาร้อลลจะให้เกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วไปอยู่ในนรกสัตว์ร้ายทุกชนิดเอาไปเล่นงานคนที่ไม่เอาศาสนา ไปกัดคนที่ดูถูกเหยียดหยามเยอะเย้ยอัลอิสลามตั้งแต่ยุคดบีอาดาัมเรื่อยมาถึงยุคมุฮัมมัดสุลลันมูจาถึงคนสุดท้ายก่อนที่จะมีวันสิ้นโลกจะเอ า, มาแมลงสัตว์ ร, ร้ายทุกชนิดอยู่ในนรกยกเว้นอันนั่ลูยกเวนนน้เวนอะไรนะพึ่งอ่ายกเว้นพึ่งอลัลลอ์ไม่ให้ไปอยู่ในนรก เนี่ยในตับเซตอิบนาเกษตรอธิบายว่าดีอัลฮัมดุลิลลอามาดูอายะกุรานที่หกบอดนะวะลาอูอัลฮิซุลลอฮุนนะซา ب ิฎลมิหิมมาทารัก عليهامن ดาบ ว่าเล่าจะอเอาใหุุุุุุุุุุุุุุุุ้ลุุุุุุุุุุ า, า AH ุุุุอาุุุุุลุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ า, า AH ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ มันต้องมีความผิดถึงอลอจะลงโทษถ้าอยู่ดีๆอลอไม่ลงโทษครับแล้วก็บาปดังต่อไปนี้นะ่ะน่าลงโทษไหมยบรุ่มิหิมเนื่องด้วยความชั่วของพวกเขาซุลนมนเนี่ยแปลว่าความชั่วหรือความอาธรรมทำร้ำอแหลมกับตัวเองน่าลงโทษไหมทํา้อเลมนะ่ะน่าลงโทษไหมลนะ่ะ เอาลูกเราเนี่ยพ่อสั่งอย่านยธรทำอย่างนี้นะอย่าทำอย่างนี้นะอ ย, อ, ยนนะอย่านียาอย่ า, อ ย, าอย่าวางกฎรวายนะโอ้เจ็ดสิบข้อยี่สิบข้อแต่ลูกฝ่าฝืนน่ะเขาเรียกว่าลูกดีหรือลูกชั่วลูกชั่วลงโทษได้ไหมได้เหมือนกันสิ่งที่อัลลอ์ห้ามมาให้ปฏิบัติก็มีสองเรื่องใหญ่ๆกุฝ เรื่องอะไรนะเรื่องการตั้งกู้ฟดทรยศต่ตออัลลอฮ์นันเรื่องใหญ่มากเลยและอีกเรื่องนึงเชิญคุณเรื่องตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เนี่ยเวลาไม่สบายขอทูลาต่ออัลลอฮ์เวลาลูกไม่มีขอทูลาต่ออัลลอฮ์ขอไปปีสองปีลูกไม่มีขับรถแต่ไปไหน ไปโตจะเกียนี่แหละชิริกต่ออัลลอ์เลยนะเนี่ยอย่างนี้อัลลอฮ์โกรธไหมโกรธฉะนั้นเอาเอาใจของมนุษย์นี่นะไปเชื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ์นั้นถือว่าเป็นชิริกและชิริกนี่เป็นบาปใหญ่มากเลยแต่หากท่านเป็นน้องจำจำกุรอานเนี่ยที่บอกว่าอะไรนะอินนัลลอฮะลา يغفر أيشرك به วายักษ์สิรมาดูนอาจาริกาลิอัลลอฮ์นี่นะไม่อภัยคนที่ทำชีริกคนที่ทำชิ้ิกเนี่ยทาบาปใหญ่อย่างนี้อัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้ยักษ์สิรมาดูนอาจาริกาลิมายาชาแต่อัลลอ์จะอภัยโทษให้ในความผิดอื่นๆที่มันเบากว่านี้ความผิดอื่นๆที่เบาก็คือเนี่ย ไม่ทำชิริกชิริกก็ไม่ไมทำจะบาปอื่นยังยังทำอยู่นะอัลลออาจจะอภัยโทษให้ <c oughs> เอาเช่นอะไรบ้างลักนินทานีก่ก็บาปเหมือนกันแต่มันอะไรบาปมันยังยังเล็กกว่าชิริกบาปชีริกนี่บาปใหญ่มากเลย <c oughs> แต่ท่านคนที่ทำชิริกแล้วตายในสภาพที่ยังไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวนะ ไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลลอ์นะ่ถึงบวชเนี่ยเดือนอัมรัดมาตอนรับบวชอย่างดีเลยแต่ทำชิริกไม่เลิอกอัลลอ์ไม่อภัยโทษนายแล้วก็รางวัลความดีๆอัลลอ์ Allah ไม่รับด้วยฉะนั้นต้องระวังเรื่องนี้มีสองเรื่องใหญ่ๆนะชิริกกับอะไรนะกุฟรุนปฏิเสธอัลลอฮ์ถามว่าคนที่ปฏิเสธอัลลอ์เยอะไม้ม นนเนี่ยกทมเนี่ยเยอะไหมโอ้เต็ไมไปหมดคนที่ไม่เอาอัลล์ไม่รู้จักอลัลลอ์ไม่สูญต่ออัลละ์ไม่เชื่อคำสั่งอัลล์เนี่ยเยอะหรือน้อยเยอะฉะนั้นอัลละ์เตือนในกา ร, ริกรุอานว่าเราอยู่อาขุลลอหุน้าซาบิุลมิฮิมถ้าหากอัลละ์จะลงโทษมนุษย์เนื่องด้วยความชั่วของพวกเขา เนื่องด้วยความบาปหรือความชั่วที่พวกเขาปฏิบัติความชั่วมีกี่อย่างล่ะตับ๊บเซตอิมทุกเซรอธิบายดีบีซูลม่เห็ไอบีกูฟรีเหมวาเชริกีเหมเนื่องจากพวกเขาทำปฏิเสธอัลลอฮ์แล้วคนปฏิเสธอัลลอฮ์เต็ไมไปหมดแล้วก็วาเชริกีเหมตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เยอะไหมเยอะพี่น้องมุสลิมก็ไม่น้อย แล้วคนที่ทำชีริกนะไม่คิดที่จะเลิกนะก็ทำบิดาเนี่ยไม่คิดที่จะเลิกด้วยไอทำความผิดอื่นๆเนี่ยอย่างคนที่กินเหล้าเนี่ยเขาก็นึ ก, กว่าฉันนี่นะผิดกินเหล้าผิดไม่ผิดทำบินาผิดไม่ผิดแต่คนทำชีริกนี่มองดูตัวเองว่าไม่ผิดทำชีริกเนี่ยมองดูตัวเองไม่ผิดแล้วก็ทำเกินดีท่านนะีทำ ก็ส่วนใหญ่มาว่าฉันไม่ผิดคุณผิดเนี่ยทำบิดอ่างก็เหมือนกันเกินทําเกินเกินเกินกว่าท่านนบีที่ทําไว้เนี่ยคนสอมกลุ่มนี้นะมองดูตัวเองทําถูกแล้วคนที่ไปบอกว่าคุณจะเลิกได้แล้วชีริกกับบิดอ่างนนะ่ะคุณต่างหากแหละผิดฉันน่ะทำถูกโดยอ้างว่าไงนะปู่ย่าตายายทําะไรมาตั้งนานแล้ว ถ้าอย่างนั้นปู่ย่าตายายฉันก็ตกนรกหมดสิไอ้พี่น้องแกยังไงถ้าเขาสวนคำนี้ม า, าคุณก็นั่งฟังเออเออตามใจตามใจแล้วก็จะแก้ตอบก็ในเมื่อท่านรู้ว่าปู่ย่าตายายทำผิดเราก็ปรับแก้ไขปรับปรุงตัวเองซะสิแล้วก็แล้วก็เฝ้าขอดุทอศต่ออัลลอ โอ้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราที่ทำชีริกกระทำบินอ้างไว้ยเยอะๆนะ่ะโอ้อัลลอฮ์อภัยโทษให้แก่พวกเขาเหล่านั้นด้วยอย่างนี้ดีไหมก็รู้ว่ามันผิดนะ่ะใครบอกละ่ะกลุ่มนี้ว่ากลุ่มนี้ว่ากลุ่มนี้ว่าแล้วก็อ้างกุรานอ้างคัดิสมาแล้วก็ต้องฟังอะ่ะเออมันพูดถูกเอยมันกินกับปัญญาอนะ่ะไอ้คำว่าศาสนาเนี่ยนะ คำว่าอิสลามนี่นะต้องทำในสมัยนบีถ้านาบีทําหรืสอสุฮาบะทาเรียกว่าศาสนาถ้านาบีไม่ได้ทําสวฮาบะไม่ได้ทําไม่เรียกว่าศาสนาเนี่ยถ้าเข้าใจอย่างนี้เราก็เลิกได้อ้ไอ้นี่มันชิริกนะไอ้นี่มันบิดาณนะเกินหน้านาบีทำเกินหน้านาบีเราก็หยุดซะสิ เพราะฉะนั้นกุร อ, นอนานายาตนี้เตือนดีนะว่าเราอยู่อัสซุลลอฮุนนะซาบิซุลมิฮิมถ้าหากอัลลอฮ์จะทรงลงโทษมนุษย์เนื่องด้วยความชั่วหรือความอาธรรมของพวกเขามาตารกะตารกาแปลว่าทิ้งมาตาโรกะ <c oughs> พระองค์จะไม่ทรงให้เหลือตาเรกาก็ทิ้งหรือว่าเหลืออัลลอฮ์จะไม่ทรงให้เหลือนะอะไรฮะบนแผ่นดินมินดบสัตว์โลกแพะแกะวัวควายสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยนะอัลลอจะไม่ให้เหลือสัก ต, ตัวหนึ่งจะให้ตายเล็บหมดเลย อุลมามะกอาอธิบายว่าในเมื่อมนุษย์ไม่มีแล้วน่ะจะเก็บสัตว์ไว้ทําอะไรไม่มีมนุษย์อยู่ตายกันหมดเพราะอัลลอฮ์เล่นงานอัลลอฮ์ลงโทษแล้วก็ต้องนึกต่อไปอีกอัลลอฮ์เล่นงานมนุษย์ลงโทษมนุษย์มีกี่แบบมีอยู่หลายแบบหนึ่งจะให้มนุษย์ตายเรื่องเก่าๆนะ่ะคิดเรื่องเก่าๆอย่างฟาโรตตายด้วยอะไรจม น้ำอย่างนั้นอลัลลอฮ์สงสารอัลลอฮ์ เ, เมตตาหรืออลัลลอฮ์มันไส้อลัลลอฮ์มันไส้อลัลลอฮ์ลงโทษด้วยการให้จมน้ําตายอพอจมน้ําตายแล้วกว็นึกน้ําท่วมที่แล้วเนี่ยอัลลอฮ์ เ, เมตตาหรืออลัลลอฮ์สงสารคืออลัลลอฮ์รักท่วมทีนี่กี่เดือนสามเดือนสี่เดือนแถวอยุธยาโตเต็มไปหมดนี่ที่หนาที่รัฐบาลช่วยกันกันไม่ให้มันท่วมมันก็ปลอดภัย ไอการท่วมทุกครั้งนั้นเป็นการลงโทษจากอัลลอฮแต่ใครรู้บ้างละ่ะคนไม่รู้นอกจากคนที่อา่านอัลกรุรอานถ้าไม่อ่านกุรอานรู้ไหมไม่รู้ครับกินุสีหนังสือพิมพ์ลงอ่ะไพธรรมชาติเลยซะบาไปเลยไพธรรมชาติแต่ก็ดาก่าคนนั้นดา่าคนนี้ มึงทำให้น้ำท่วมมึงทำให้น้ำท่วมมึงไปกั้นวัะไจมเนี่ยคูมันทำมึงไม่กั้นคูก็ไม่จมอไรต่อะไรกนทะเลาะกันอะไรกันนละอาดับจากอัลลอ์ทั้งหมดวอ็นะวะแล้วอยู่อาคิดุลลอหุนนาซาบิดุลมิฮิมแต่หากอัลลอ์จะลงโทษพวกเขาเหล่านั้นเนื่องด้วยความชั่วของพวกเขามาตรากะอัลลอ์จะไม่ปล่อยเอาไว้ให้เหลืออยู่บนแผ่นดินนั้นสัตว์สักตัวหนึ่ง มีอยู่วันหนึ่งดิฮัดดษนะฮดษอธิบายคุรานเนี่ยก็อธิบายคุรานคุรานอธิบายคุรานมีไหมมีนบีจะอธิบายคุรานกับคุรานสวบานนบีจะเอากุรานอธิบายคุรานบางทีก็เอาดิษมาอธิบายคุรานอามาอธิบายคุรานตัวดษนะมีวันหนึ่งท่านอับดุลฮุไร์รลลอฮหั อันนบีซัลลัมก็ไดซาเมอาอบูฮุไรรออบูฮุไรรอเนี่เป็นใครเป็นสุฮาบะนบีนั่งอยู่กับสุฮาบะคน อ, นอื่นอื่นอีกหลายคนว่าว่ายากูลท่านได้ยินอับูรรอเนี่ยได้ยินเพื่อนสุฮาบะอีกคนหนึ่งคุยว่างี้นี่คุยนะอินนัลซาลิมลายัดุรุอิลลันัฟเซหู คนที่ทำบาปคนที่ทำาซเลมนะคนที่ทำชั่วเนี่ยเขาไม่ได้รับคนอื่นไม่ได้รับอะไรนอกจากตัวของเขาเองใครทำใครได้พูดอย่างนี้ถูกหรือผิดใครทาบาปคนนั่นก็ได้รับได้รับบาปไปคนอื่นไม่เกี่ยวคนเนี้ยทำบาปนะ เขาจะได้บาปการลงโทษคนนี้ได้คนอื่นไม่เกี่ยวเพราะว่าอย่างนี้ท่านอบูฮุไรรอหันหน้าไปถามชายคนนั้นพูดบอกว่าบาลาคุณพูดผิดวันลอขอสาบานต่ออัลลอฮ์ที่คุณพูดน่ะผิดที่ถูกเป็นอย่างนี้ a l h u b a อ a a l h u b า r a matunuk นกลาตะมูดตายฟีวัคหรีหาอยู่ในรังของมันอธิบายยังไงอธิบายอย่างนี้คุณทำบาปไอความผิดอันนั้นไม่ใช่ตกที่คุณคนเดียวนะสัตว์ที่มันบินอยู่บนชั้นฟ้านี่นะที่มันอยู่ในรังของมันมันยังไม่ออกไปหากินเนี่ย เกือบตายอ่ะบางทีมันก็ตายแล้วมันทรมานสัตว์อื่นให้ตายด้วยไม่ใช่คุณคนเดียวที่ได้รับอันตรายรับโทษจากอัลลอ์คุณเนี่ยอัลลอฮ์ประวิงเวลาเอาไว้ไม่ลงโทษจันที์จันได้แต่สัตว์ตายเลยเห็นไหมนี่อธิบายยังไงอธิบายชัดๆเลยคนที่ทำความผิดบนโลกดุนยาใบนี้จะเป็นใครก็ตามอัลลอ์ ไม่ใชลงโทษคุณคุณเดียวหรอกไอความผิดนั้นไม่ใช่กลับมาหาคุณคนเดียวแต่กลับไปทรมานสัตว์ที่กำลังบินอยู่หรือว่าสัตว์ที่อยู่ในรังมันเนี่ยทรมานด้วยตายด้วยเห็นไหมนี่ถ้าไม่อ่านคดีรู้ไหมไม่รู้เราเนึกว่าโอ้ฉันทำบาปคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวนี่เป็นตนอีคดีสหนึ่งนบีสอนอย่างนี้ อิน al ja uh uh ัลจุอาลันกาดัลจางาลูอยุลิกาฟิจุฮริฮีบิคอตีอะติบันีอาดัมจุอาลจุอาลันี่แปลว่าแมลงปีกแข็งแมลงแมลงที่อยู่ในรั้วพอเห็นพอด้รู้ว่าคนคนหนึ่งทําบาปกลังทําีหนาอยู่กลังกินเหล้าอยู่ กำลังเต้นรําอยู่กําลังทํำชริกอยู่กําลังทําบินาอั้งอยู่สัตว์ที่อยู่ในรูตายพวกมแมลงมแงมลงแมลงตายเห็นไหมแฉะนั้นพี่น้องถ้าเราอ่านอายานีสุรานี้ฮะดีษนีแล้วได้ยินผ่านหูต้องนึกเลยเนี่ยเวลาเราทําบาปเนี่ยไม่ใช่เราคนเดียวที่ดะรับอันตรายนะสัตว์อื่นๆนกอันตรายมแมลงที่อยู่ในรู ตายอันตารายจะรับการทรมานด้ว ย, ยตรงกับ ญ, ญานีพอดีถ้าหากอัลลอฮจะเล่นเล่นงานมนุษย์เพราะมนุษย์ทําบาปเพราะมนุษย์ทํโน่นทํานี้ผิดคำสั่งอัลลอมาตาระกะอาไลฮามินดาบะอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยไว้ให้สัตว์นี่นะให้เหลืออยู่แม่ตัตวเดียวตุนลงว่าน้าท่วมทีนุสัตว์ตายเยอะนะนะ น้ำท่วมทีห น, นึ่งสัตว์เนี่ยตายเยอะนะแล้วก็เอา ล, ลอดลงโทษที่ประเทศเดซีน่ยที่ท่านพีน้องไปเยี่ยมกันที่อะไรนะ่ะจอแดนนะ่ะนั่นหมดเลยสัตว์ทั้งหมดตายเรียบหมดเลยนะ่ะพาอคนพาอคนพาอคนมันเลวเลวทำอะไรฮอร์โมนเะซ็กชวลผู้ชายกับผู้ชายเข้าหากันเองเอา ล, ลอดลงโทษอนะ่ะวันนี้ อัลลอให้เห็นบนโลกตรงนั้นอัลลอให้เห็นท่านคนที่ไปดูตรงนั้นอ่านอ่านอ่านอ่านอา่านอ่านอ่านศ่กษอานอิสลามอ่อานแ่้วอ็ไนดูจะอีาน่านอันจะานิ่มนึ้น่นะครนบเนอาต่อมาวอ่าอ่านอ่านอ่าแต่านอ่านอ่านอ่านอ่พระาองค์อ่อ่านอ่านอ่านอ่านอ่วน่านอ่านอ่านานอานว่อ่าอาอ มนุษย์ทําบาปเต็มไปหมดวันนี้แต่อัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษเพราะอัลละฮ์ประวิงเวลาอยู่อัครรหมอุลามะเขาถามก็ว่าประวิงเวลานี่มาได้อะไรอย่างกับครูลงโทษนักเรียนประวิงเวลาไม่ลงโทษแต่เตือนนะนี่เธอนะฉันเล่นงานเธอแน่นะหนึ่งให้ออกหนึ่งเรียกมาตี สองพักการเรียนสามไล่ออกจากโรงเรียนก็มีเขาแนะนำมาไว้ครูก็แนะนำไว้แต่วันนี้นะ่ะเรียกมาเตือนก่อนนะถามไ อ, เมเอเเ้เรียกมาเตือนเนระียนเรียกเรียกมาเตือนน่ะดีไหมดีอลัลละม่าเขาแนะนำนะที่อลัลลอฮฺไม่รีบลงโทษคนที่ทำบิดนะ่ะมีอยู่สามรายการรายการที่หนึ่ง <c oughs> รายการที่หนึ่งนะรายการที่หนึ่งหนึ่ง เพื่อให้เขาได้กลับเนื้อกับตัวอันนี้ดีมากเลยนะเพื่อให้คนที่ทำผิดได้กลับเนื้อกับตัวสองเพื่อไม่ให้พวกเขามาเป็นข้ออ้างกับอัลลอฮ์ในวันเตียมะอัลลอฮ์ให้นึกถึงวันเตียมะหนูนเลยฉะนั้นคนที่ทำผิดนะอัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษฉันประวิงเวลาคุณจนกว่าคุณจะตายเนี่ย มนุษย์อาจจะคุยยาวเลยว่าทำไมไม่เห็นเตือนเจ้ล่ะฉันจะได้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีอ่าเนี่ประวิงเวลาให้แล้วนะและว้วก็ไม่รีบลงโทษนะคุณจะมีข้ออ้างได้ไมั้ยไม่ได้ข้อที่สามเพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้หรือไม่ก็เพื่อให้ลูกหลานของเขาเนี่ยได้เรียนรู้ พ่อมันไม่เอาพ่อไม่เอาศ า, าสนาแต่อลัลลอฮ์ต้องการจะให้ลูกหลานของเอาศาสนาก็ได้ที่ที่ประวิงเวลาเอาไว้เป็นลงโทษยกยกตัวอย่างนาบีไปสอนศาสนาที่เมืองตออิฟพอไปสอนเสร็จแล้วนี่นะ่ะญาติพือน้องของนบีมีอยู่สามหลังบอกฉันไม่เอาที่นบีมาสอนฉันไม่เอา นบีว่าไม่เอาก็ไม่ไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีปัญหาฉันไม่ว่าทั้ก็จะกลับละมันไปยุเด็กอะ่ะเด็กหนุ่มๆเนี่ยบอกไปเอาหินไปคว้างมูฮัมหมัดไปเด็กมันก็เอาหินเอาทรายมาเดินคว้างนบีอะตามข้างหลังด้วยหัวเราะเยาะเย้ยตบไม้ตบมือดีใจไล่มูฮัมหมัดออกจากอะไรนะจากเมืองต่ออี อัลลอฮ์จ้องมองอยู่เนี่ยดูนี่นี่มันทํากบ่าของฉันพวกมัดทาอะไรผิดละแค่เอาอิสลามมาสอนเอาอิสลามเอาสุนัขมาสอนเล่นกันอย่างนี้เลยเชียวเลยเอานาบีก็ออกไปจากหมู่บ้านไปนั่งอยู่ที่โคนต้นอ่างนุนพอนั่งเสนนร็จนบีก็ขอดูอาต่ตลอยาอลัลลอฮ์นบีเสียใจที่นบีไม่สามารถที่เอาอิสลามของดีๆนั่นไปถึงพวกข่าวหล่อนั้นได้ เห็นไหมนบีบทําดีไหมดีแต่พวกเราล่ะเราต้องด่าชาวบ้านนะมึงไม่เอาฟูเอาของดีมาให้มึงไม่เอาอะ่ะแต่นี่อัลลอฮฺให้มล า, ายกาลงมาหาท่านนาบีบอกมุฮัม د, มัดมลายกามาเลยนะเอาไหมท่านมาสอนศาสนาเขาไม่เอาให้มล า, ายกาที่คุมภูเขาอ่ะให้ภูเขานเดินชนกันเดินชนกัน ละตายหมดบิวแม่เอาถ้าหากพวกเขาไม่เอาวันนี้พ่อเขาไม่เอาแม่เขาไม่เอากีเขาไม่เอาตัวย่อเขาไม่เอาไม่มีปัญหาขอให้ลูกของเขาหรือหลานของเขาเอาก็ะเพาะจังนี่ง า, านอาญานี้ต้องการจะอธิบายถ้าน่าหากใครวันนี้ไม่เอาสุนนะเชิญไม่ทิ้งชีริกเชิญทำกูฟ่ฟดอยู่เชิญ แต่เอารอไม่รีบลงโทษแต่เอารอหวังว่าจะให้ลูกเขาหรือไม่กอหลานเขาอาจจะมีวันหนึ่งพ่อเขาคิดเออส่งลูกไปอยู่ที่าศาสนุมดีไหมบ้มาไม่ก็ไม่ช่างมันเถ อ, ไเอะไปเรียนสักพอเรียนหนังสือจบสามสี่ปีได้ทุนไปต่อที่สูดานบางอินเดียบังพมา่าบางลาวบ้างทำอยูล่ลิลเลยหกจบไปหกเจ็ดปีเอาสูน่ามาสอนในบ้านเปลี่ยนแปลงทั้งบูบ้านเลยเห็นไหม ดีไหมดีผลจากการที่อัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษถ้ารีบลงโทษในวันนั้นนะตายกันเรียบทั้งหมู่บ้านสัตว์ก็ตายด้วยคนก็ตายด้วยฉะนั้นการที่อัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษนะ่ะดีหรือเลวดีมากๆเลยหนึ่งต้องการจะให้กลับตัวสองต้องการที่จะให้คนในหมู่บ้านของเขาจะเป็นคนหนึ่งคนใดก็ได้เปลี่ยนแปลงเป็นคนดีนะครับ ส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือแล้วนำเอาความรู้นั่นม า, มาสอนต่อสามไม่เป็นข้ออ้างในวันเฟียมาว่าอัลลอฮ์ทำไมรีบลงโทษฉันทำไมท่านสามเรื่องดีๆมั้ยดีทั้งหมดเลยว่าเราอยู่อะถ้าหาก Allah อัลลอฮ์ใดนะ อัลล์ Allah จะอะไรนั้นไม่รีบลงโทษนะครับวลากีอยู่อาคิรูฮุมแต่อัลลอฮ์จะอะไรนั้นจะประวิงเวลาพวกคาดนั้นไว้อีลาิมซมยังวระหนึ่งที่กำหนดเอาไว้นะครับอต่อมาครับฟาอจลอาูฮุมเมื่ออาจาอาจัรย์มายถึงความตาย อายานี้เรายกกันบ่อยอา จ, ยอจลูมลายสติรนอตวลายสตดีมูนเมื่ออาญา์มาเมื่อความตายมาเมื่อวราระสุดท้ายมาของทุกคนนั่นแหละลายัสตาขิรูนพวกเขาจะน่วงให้ช้าสักนาทีนึงก็ไม่ได้ จะเล่นให้ไวสักหนึ่งนาทีสองนาทีก็ไม่ได้นี่เป็นคําเตือนที่ดีที่สุดหมาถึงความตายฉะนั้นคนที่อลัลลอฮ์จะเอาโทษในะส่วนใหญ่อลัลลอฮ์จะเล่นงานตอนตายส่วนใหญ่จะถูกลงโทษตอนตายตอนเป็นๆ เ, เนี่ยอลัลลอฮ์ไม่ลงโทษอลัลลอฮ์ดูสิคนไม่เอาศาสนาเนี่ยอยู่ดีกว่าคนที่มีศาสนาอีก นี่ซูโบยังไม่ตื่นเลยนี่คนไม่เอาศาสนาเใช่ไหมเมาแล้วแต่มาคืนเนี่เมาเลยหลับไปเลยนี่ถ้าเราเป็นเจ้าของเนาะใช่ไหมความโกรธโมโหอยู่ในใจแต่อร่อยอะไรอะไปอะไมันจะเลวสัตย์มันจะกินควายสักกี่ตัวเชิญจะกินแพะกี่ตัวเชิญจะกินข้าวสักสี่สี่กี่ก็สอบเชิญให้มันกินไป ดังนันขอบคุณอัลลอฮุบ ب า ا ن ه แวะ ت ع าล ى ห a ด i ษนบีอธิบายอีกเย ะ, ยะนะอิ้าอัลลัฮฺจะลงล้อหูเบกาวมินถ้าอัลลอฮ์จะลงโทษหมู่บ้านใดก็ตามอัลอเบลอาดาบมังกานะฟีฮิมคนดีคนชั่วตายหมดนั่นแหละเห็นไหมคนชั่วทำความผิดอยู่บนโลกดุนยาใบนี้ ถ้าอัลลอฮ์จะลงโทษคนดีๆริมบ้านเขาตายด้วยมีคนถามตายทําไมอะ่อะอัลลอฮ์ก็วางกฎไว้อย่างงี้นะอัลลอฮ์วางกฎเอาไว้ถ้าอัลลอฮ์ลงโทษคนกลุ่มหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเนื่องจากเขาทําผิดเนื่องจากเขาทำชั่วิ์เนื่องจากเขาทํอ า, ท อ, ะาทอะไรนะั่งกุฟ๊ฟทําบิดาทำชั่วฤทธิ์เต็มไปหมดนะคนดีๆที่อยู่ริมบ้านเขาถูกด้วยและเป็นไง ทุมมบูอิสูอัลลออามะลิมตอนเขาฟื้นขึ้นในวันเตียมานั้นฟื้นขึ้นด้วยได้นะด้วยอัติดาความเชื่อของเขาก่อนตายเขาตายในสภาพที่มีอีมานเขาฟื้นขึ้นมากว่าฟื้นในสภาพที่เขามีอีมานอาลัลลอฮฺไม่ได้ลงโทษตายพร้อมๆกันนะจริงแต่เวลาฟื้นใครดีก็ฟื้นด้วยรางวัลที่ดีคนชั่วก็ฟื้นมารับสภาพความชั่ว กรรมรู้ความผิดที่เขาได้ทาเอาไว้ไม่ใช่ว่าทุกคนตายหมดแล้วก็เลวหมดแต่ไม่ใช่และอีกเรื่องหนึ่งนบีสอดีอินนัลลอฮะลาอูอัครุชัยอ <c oughs> <c oughs> ันอิดะอาจาอจอจลูทีนี้อัลลอฮ์จะไม่ประวิงเวลานะ้ต่หากทุกคนเมื่อถึงอัไร ถ, ถึงถึงเวลาจะต้องตายตายหมด ว่าอินน ا มาซียา ر ดตุลาอุมรีบิซุรีย์คำว่าอายุยืนอายุยาวนี่อธิบายยังไงน บ, บีสั่งอย่างนี้คนที่ทำความดีเนี่ยอัลลอฮ์จะให้อายุยาวท่านต้องการจะให้อายุยืนยาวเนี่ยไม่ต้องไปต่ออายุในคืนนิสฟูนิสฟูระในฟูชาบาน ถ้าต้องการจะให้อายุยาวเนี่ยไม่ต้องไปต่ออายุในนิสฟูชาบานเพราะเราไม่รู้ว่านิสฟูชาบานคือไหนเพราะว่าไอเดือนหนึ่งมีเท่าไหร่สามสิบวันหรือไม่ก็ยี่สิบเก้าวันแล้วใครบอกว่าใครจะรู้ว่านิสฟูชาบานคือไหนเนี่ยเมื่อปลายเดือนถึงจะรู้และต้นเดือนจะรู้ได้ไงเนี่ยสับสนนะแต่ท่านวิธีที่จะต่ออายุไม่ใช่รอนสิสฟูชาบาน ทำได้ทุกวันเลยด้วยการทำดีกับใครกับพ่อแม่กับญาติใกล้ชิดนั่นคือการต่ออายุที่ดีที่สุดนี่นบีสอนนะไม่ต้องรอเ น, นื้อโภชาานาเนิ้อโภชนาเราไม่รู้ว่าเมื่อไรอ่ะพอไปรู้นะผ่านไปแล้วพอปลายเดือนวันที่30สิบเพิ่มรู้ว่าชาบานมี30มสิบวันก็กดกำหนดวันที่สิบห้าได้ถ้ามันเกิดยี่สบเก้าวันกำหนดวันไหนอ่ะมันก็ไม่รู้เหมือนกันต้องรอให้สิ้นเดือนก่อนจานั้นอย่าไปรอเนืูชาบาน ทำความดีกับพ่อแม่ได้ทุกเวลาเลยแล้วก็อะไรนะทำดีกับพ่อแม่กับญาติพี่นออ้องญาติใกล้ชิดได้สองอย่างริสกีเพิ่มกับอะไรนะอายุยืนยาวคำว่าอายุยืนยาวก็อธิบายอย่างนี้อินนามะ زيادة العمر بالذريعة الصالحة برزقيها الله العبد فيجعله ناله ميم باندي คำว่าอายุยืนยาวหมายความว่าพ่อตายไปแล้ว แม่ตายไปแล้วแต่ลูกหลานของเขาที่เป็นเด็กดีๆเป็นคนซอลแหละขอดูอาให้แต่ผลละบุญ น, นั่นถึงพ่อแม่ตลอดเวลานั่นเขาอาธิบายว่าไงนะคนที่มีอายุยืนยาวตัวเองตายแล้วแต่ผลละบุญโอ้เพิ่มขึนเพิ่มขึนเพิ่มขึนอยู่ในบัญชีทุกวันตัวเองไม่ได้ทำใครทำลูก ทำให้หลานทำให้ที่ตัวเองตายไปแล้วนะแต่ผลบุญยังเข้าบัญชีตลอดเวลานั่นเรียกว่าคนอายุยืนยาวฉะนั้นเมื่ออ่านจากฮะดิษนี่อ่านอายานี้แล้วพ่อแม่ต้องนึกนะลูกเราที่มีศาสนาหนะกี่คนมีลูกอยู่เก้าคนมีทนนานนากี่คนยังมีเลยโอ้ทัวนี่มีเลยเลยเนี่ย อาลูกขอดูอาให้พ่อสักคนนั้นจะเอาใครพ่อกันหมดเลยใครผิดพ่อผิดมันต้องนึกครับลูกที่ซ้อแรกนะขอดูอาให้เราตายไปแล้วผลละบุญเข้าบัญชีเราเราไม่ได้ทำนะแต่ลูกทำเนี่ยผลละบุญถึงเราอ่ะนี่เขาว่าอายุายืนยาวอยู่ตรงนี้ครับพี่นอ้องกท่อ๋โจบปิชาสามมันเทวศาสนาได้มหมได้ นั่นมีอยู่คนหนึ่งมาลนาจำนินตอริกจำนินคนปากีสถานจบแพทย์เรียนแพทย์ที่สุดท้ายพอเรียนแพทย์เสร็จแล้วพอจะจบแพทย์พ่อรวยมากจะสร้างโรงพยาบาลสร้างนู่นสร้างนี้ให้ลูกดูแลเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลลูกเรียนแพทย์ที่สุดท้ายเวลาบอกันจะไปเรียนศาสนาทางบ้านด่ากัน เหมือนศาสนาทำอะไรจะมีชื่อมีเสียงมาเรียนศาสนาเรียนนู่นอะไรตัวอะไรนู่นลูกว่าฉันจะเรียนศาสนาะไปท่องจํากุรานภายในสองปีกว่าจบต่อมาเรียนทาทีเรียนตับเสดภายในห้าปีจบเดี๋ยวนี้กลายเป็นอัลมะม่ายายเวลาใบยานเวลาพูดคนฟังเป็นแสนเห็นไหมไปนอนอย่างนี้น่ะพ่อนอนอยู่ในกูโบนผลแลบุญถึงไหม ถึงลูกทำความดีอยู่บนดุลยานี่ใช่นไหมส่งพลบุญไปถึงพ่อแม่ที่นอนอยู่ในกุโบนี่แหละเขาเรียกว่าอะไร น, นะเป็นการอะไร น, นะอายุยืนยาวออาต่อมาอายาที่กหกสิบสอง وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ و َ ي َ ج ع ل و ن َ لِل พวกเขามนี่ต้องการจะเล่านะคนอาหรับสมัยท่านนาบียังมีชีวิตอยู่เป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าบ้านใดได้ลูกผู้หญิงเมียคลอดเป็นลูกผู้หญิงขึ้นมาเนี่ยเขาเครียดเพราะสังคมวันนั้นน่ะเขาไม่เอาลูกผู้หญิงเขาเอาแต่ลูกผู้ชาย นี่เป็นอัคดีได้ในเป็นความเชื่อนะถามว่าความเชื่ออันนี้นะนบีมาสอนแล้วมันน่าจะจบไปแล้วกลับยังหลงเหลืออยู่ให้เห็นน่ะเนี่ยบางบ้านเนี่ยบางบ้านที่เป็นแขกเนี่ยเป็นมุสลิมนี่แหละที่ยังไรนะยังหลงยังเชื่ออยู่ว่าลูกผู้ชายเนี่ยจะสร้างอะไรนะสกุลอ้าเป็นการอะไรนะโอ้ทาไมสกุลอยู่เป็นสุกดังก็ผู้ชาย แล้วก็บอกลูกผู้ชายเนี่ยเลี้ยงง่ายเลียงผู้หญิงลูกผู้หญิงเนี่ยเลี้ยงยากนี่เป็นความเชื่อเลยนะฉะนั้นใครที่มีลูกผู้หญิงเนี่ยเหมือนมีสวมอยู่หน้าบ้านสมัยก่อนนั่นแต่สมัยนี้ก็มีอย่างนี้เหมือนกันเพราะความเชื่ออันนี้นะฝังลึกอยู่ในสังคมญาริยาณในสมัยนั้นวันนี้ยังหลงอยู่หลงเหลืออยู่ในเมืองไทยก็มีในอินเดียก็เยอะในจีนเต็มไปหมด คนจีนเชื่อว่ามีลูกผู้หญิงไม่ดีต้องมีลูกผู้ชายในอินเดียก็เหมือนกันต้องลูกผู้ชายไม่ใช่ลูกผู้หญิงเมืองไทยก็เหมือนกันคิดแบบนี้เหมือนกันออาถามท่านเป็นน้องจริงๆนะ่ะมีลูกผู้ชายกับลูกผู้หญิงนะ่ะใครเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากกว่ากันตอนนี้ลูกผู้หญิงกับลูกผู้ชายใครเลี้ยงยา ก, กเลี้ยงง่ายลูกผู้ชายเสี่ยงอะไรอะไร อะไรนะ่ยาบ้าใช่ไหมลูกผู้ชายเสี่ยงยาบ้าใครที่เลี้ยงลูกไม่ไ ม, ม่ติดยาบ้าหรือหมดูแลเลยขอบคุณอัลลอฮ์ลูกผู้หญิงไม่ค่อยมีปัญหาวันนี้ลูกผู้หญิงเลี้ยงง่ายอะลูกผู้ชายเลี้ยงยากอเพราะฉะนั้นคนอาหรับมีความเชื่อว่าใครมีลูกผู้หญิงบ้านนั้นเฮงสวยจะพูดง่ายสวยแล้วมึงเปลูกผู้หญิง แต่นี่พอภรยาคอลูกมาเนี่ยอัลลอฮฺใช่ไน้องพ่อนี่อายคนจะเข้ากับคนไม่ได้เพราะอายเพราะตัวเองมีลูกผู้หญิงภรยาคอลูกผู้หญิงมันเลือกกระพังหมู่บ้านเลยเข้าหน้าคนไม่ติดแลบเป็นไงวายญาลูนะลิลฮิมายาคราฮูพวกเขาเอาลูกผู้หญิงของเขา ขึ้นสำหรับอัลลอฮฺยักษคอฮูนะสิ่งที่เขาชิงชังสิ่งที่เขาไม่ชอบคือลูกผู้หญิงเขาก็ยกลูกผู้หญิงของเขาให้เป็นลูกสาวของใครของอัลลอฮฺอัลลอฮฺเอาลูกลูกผู้หญิงไปเป็นลูกของท่านนะไม่ใช่ลูกของฉันเพราะฉันนั้นไม่เอาลูกผู้หญิง นี่อัลลอฮ์เล่าเลยนะคนวันนั้นเนี่ยยกลูกสาวของเขาให้เป็นลูกสาวอัลลอฮ์เพราะพวกเขาไม่ชอบลูกผู้หญิงและเป็นไงครับว่าตาซฟูอัลซีนาตูฮุมและลิ้นของพวกเขาปั้นแต่งเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องโกหกเนี่ยอัลลอ เอาลูกผู้หญิงที่เขาไม่ชอบนั่นไปเป็นลูกสาวอัลลอฮ์พูดอย่างงี้เป็นการใส่ร้ายอัลลอฮ์สุบฮานาอูตาลาเขาก็าอธิบายอย่างนี้เขาว่าอัลลอฮ์เนี่ยเหงาอัลลอฮ์อยู่คนเดียวเหงาอัลลอฮ์ต้องมีลูกผู้หญิงเอาไว้คุยมนุษย์ตั้งหากเวลาเหงาต้องอยู่กับใครต้องอยู่กับลูกผู้หญิงใ ช, หใช่หรือไม่ใช่หรือไม่กัลูกผู้ชาย ลูกผู้หญิงอ้อนเก่งย่อยางงันมะยางงี้โอ้เพิ่มใจลูกสาวคุยคล่องนั่นมนุษย์คนอาหรับมองว่าอัลลอ์ก็คจงจะเหงาแบบเราเลยมั้งงั้นอัลลอฮ์เอาลูกผู้หญิงไปก่อแล้ว อ, enfin อ, อ, อัลลอฮ์การนกุญคอ่านว่าลำยาลิดวะลำยูละกุลหุวะลหุอัลฮัดอัลลอฮ์มีองเดียวอัลลอฮ์ไม่มีลูกอัลลอ์ไม่มี พ่อไม่มีแม่วาลามยาคุณล้วโกูฟูวันอะฮัดไม่มีอะไรมาเสมือเหมือนอัลลอฮ์ดันั้นอย่าไปมาว่าอัลลอฮ์เหงาอัลลอฮ์เบื่อเอาลูกผู้หญิงไปอยู่กับอ AH. ah. ัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่อัลลอฮ์เหงาไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ต่อการพึ่งมนุษย์ใดๆทั้งสิ้นนี่คนอาหรับใส่ยร้ายอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เหงาเอาลูกผู้หญิงคนฉันไปเลี้ยงไปท่านไปเ น, นี่ยลูกผู้หญิงจะเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นลูกสาวอัลลอฮ์แล้วเป็นไงครับ การปฏิบัติแบบนี้เป็นการปั้นอของโกหกขึ้นมาเป็นการใส่ร้ายอัลลอ์แล้วเป็นไงครับอันนาละหุมละพนาทั้งทั้งที่ภวกเขาด่าอัลลอ์ว่าอัลลอฮ์ทำชีริกต่ออัลลอฮ์ชิงชังลูกผู้หญิงเชื่อว่าลูกผู้หญิงนั่นจะนำความเลวร้ายมาเข้าบ้านตัวเองนั่นใครบอกเนี่ย นึกเองทั้งหมดเลยถาว่านึกเองเนี่ยอัลลอฮ์พอใจไหมอัลลอฮ์ไม่พอใจแล้วก็ยัดเยียดให้ลูกผู้หญิงให้เป็นลูกสาวอัลลอฮ์ถ้าหากจะเลี้ยงลูกผู้หญิงไว้เขาจะเลี้ยงแบบไหนรู้ไหมอายมสิกูฮูอาลาฮูนินเลี้ยงลูกแบบเลี้ยงไม่ดีไม่ให้มีการศึกษาไม่ให้มรดกคนกุนก่อน เลี้ยงด้วยความอปัปอายลดเลี้ยงลูกสาวกว่าเลี้ยงลูกชายไม่เหมือนกันนี่คนอาหรับนะถ้าหากเขาไม่ฆ่าลูกสาวเขาเขาจะเอาลูกสาวมาเลี้ยงแบบไรนะแบบไม่ให้การศึกษาไม่ให้มรดกทุบตีสารพัดใช่ไหมอย่างที่ข่าวออกมามาวันซืนเนี่ยหยงเจริญเนี่ยตายไปแล้วโตเลี้ยงแบบไหนก็ไม่รู้ละแต่นี่ลูกลูกผู้ชายอ่ะ น, นะ นั่นคือน้องมุสลิมจะเลี้ยงลูกแบบนั้นไม่ได้ต้องเลี้ยงให้ดีที่สุดแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺอย่าไปกดขี่ลูกอย่าอย่าให้ลูกไม่มีการสุ่อสารนั้นผิดทั้งหมดมต่อมาครับขนาดเลวทําตัวเลวถึงขนาดนี้เนี่ยนะทาชีริตกินก็เลวอยู่แล้วนะเลี้ยงลูกสาวเลี้ยงแบบไม่ให้มร่ดกก็เลวอยู่แล้ว เอาลูกสาวให้เป็นลูกลูกสาวก็อัลลอฮ์อันนี้ก็เลวอยู่แล้วขนาดเลวตั้งสามสี่ข้อนี่นึกว่าไงอันนาละหูมูลฮุสนาพวกเขาคือคนที่ดีเยี่ยมที่สุดทําบาปถึงขนาดนี้นะยังคุยว่าฉันเนี่นะละหูมูลฮุสนาฉันเป็นคนดีนี่ยอัลลอฮ์เล่าไปฟังอ่ะมึงทําเลวถึงขนาดนี้ยังมาคุยว่าฉันเลวฉันดีอยู่อีกเรื่อ ชิริกบินะแล้วก็ได้เอฆ่าลูกผู้หญิงแล้วก็ถ้าไม่ฆ่าก็เลี้ยงแบบไม่ดีเนี่ยไม่ส่งเรียนศาสนาเลยเนี่ยยังมาคุยว่าอันนาลาหูมูลฮุสนาเราเป็นคนดีเยี่ยมคุยได้ยังไงอะเยอะแ ย, ย, ยะนะวันนี้พี่น้องเราคุยแบบนี้นะตัวเองไม่ได้ น, นามาคบให้เวลานะฉันแน่ ชริกสารพัดโตตะเกียรไปทุกปีฉันแน่ฉันดีอัลลอฮฺอัลบัสทําชริกต่ออัลลอฮ์ค่อยแต่งองตะกุ่เต็มไปหมดมาคืนก็ น, นั่งคุยกับญาติ น, นต้องผมจัวบนบ้านอ่ะจัวบ้านอ่ะ บ, า น, บานทรงไทยอ่ะมันมีอะไรนะผ้าเขียวผ้าแดงนั่นนะ่ะชริกนะ่ะทําชริกกันเต็มไปหมด แต่ยังคุยว่าฉันนี่นะเป็นคนที่ดีเยี่ยมที่สุดในหมู่บ้านคุยได้ยังไงบนจัวบ้านนะพราเขียวพราแดงอยู่เลยยังไม่เอาออกเนี่ยทางก็ถูกก็ผิดผิดอย่างแรงแต่ยังกล้าคุยว่าอันน่าแหละฮูมุลเฮสนาฉันเป็นคนดีเยี่ยมที่สุดโค้กโค้กท่านถ้าอ่นาอนคุรานะไม่กล้ายกตัวเองเลย แต่คนอาดับยกมาแล้วเหมือนกับพวกเราะไปน้องทำบาปนีเยอะแยะไปหมดยังคุยว่าอัลฮุสนาชันนี่นะแจ๋วชันเนี่ยดีที่สุดต่อมาครับลาจารมาลาจารมาองสงสันานาละหูมุนาโดยไม่ต้องสงสัยลาจารมาแปลว่าฮักคนแน่นอนจริงๆไม่ต้องสงสัย อันน่้จหูมุนสำหรับพวกเขาคือไฟนรกเลี้ยงลูกไม่ดีไฟนรกทำชิริเ็กไฟนรกทำบิดาไฟนรกตัดขาดญาติพี่น้องไฟนรกยังมาคุยอีกขันแจวที่คุยว่าแจวนะเพราะมีมีนาละไระ มีนามีเงินมีเงินเดือนเดือนหนึงสี่ห้ามืเข้าบ้านมองแค่เงินอย่างเดียวว่าชมตัวเองว่าดีนะ่ะผิดนะจะชมตัวเองว่าดีมันต้องมองว่าลูกเราเป็นไงพ่อเราเป็นยังไงตัวเราเองเป็นยังไงมีชีริกไมมมีบิดามายตัวเองปฏิบัติไหมเลิกให้หมดนั่นแหละจะเรียกว่าตัวเองดีถ้ายังไม่ได้เลิกทาความชั่วอย่าไปหวังเลยจากต่อรอดสภาวะู่ั่นล และจะรอมาอันหน้าเล่ามุโดยไม่ต้องสงสัยนะสำหรับพวกเขาคือไฟนรกว่าอันหน้าหู ม, มุฟริบุฟรอปูนและพวกเขาจะถูกส่งล่วงหน้าลงนรกก่อนเลยมุฟริตเนี่ยฟรารัต อ, อธิบายอันฟรอตุกุมอลัลฮาวตมุฟริตนี่แปลว่าอะไรนะล่วงหน้าไปก่อนีนตุลานนะ คนทําชั่วนคนที่ทำชีร Aquí, moon, al er ิกท am ําบินอาเนี่ยเอาล็อตจับลงนรกล่วงหน้าก่อนเลยไอ้คาว่าฟาริตฟารอกอฟารรกูกุมาลาลฮาวนบีพูดว่าฉันเนจะล่วงหน้าไปอยู่ที่บ่อน้ําก่อนพวกท่านในวันตี๋มะนบีไปรอที่บ่อน้ําก่อนอาอ้มาดื่มน้ํำนบีจะเรียกมานบีจะรู้จะรู้ว่าคนนี้เป็นอุมมะของฉันน่ะรู้ได้ด้วยด้นะร่องรอยของการอาบน้ำน้มา นคนที่อาบนาวนาฎวันหนึ่งห้าเวลาเนี่ยรัศมีมันขึ้นที่ใบหน้านาบีจะจําได้นะพวกฉันพวกฉันเรียกมาเรียกมากมล า, ายกาคอยคุมอยู่แต่มีโยกลรมหนึง่งพอนบีเรียกเนี่ยมล า, ายกากันนบีถามว่ากันทําไมอะ่ะนบีไม่รู้หรอกหลังจากนาบีตายไปแล้วปุณณีทาบิดอา่างเต็มไปหมดเลยใช่ไหมทําบิดอา่างอธิบายยังไงนบีไม่ได้ทํา แต่เรามาทำที่หลังและอ้างว่าเป็นาศาสนานั่นเรียกว่าบิดาบิดอ้างแย่อุตริบอกนบีไม่รู้หรอกหลังจากนาบีเสียชีวิตไปแล้วกลุ่มเหล่านี้น่ะเป็นมุสลิมจริงแต่ทำบิดนานบีเลยมาไลกากันน่ะไม่เข้าไปให้ไปให้ดื่มน้ำ ด้วยพระหัตถ์ด้วยมือของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะฮ์อีกคือสัลแลมแต่นั้นเรื่องบิดาเรื่องใหญ่นะเรื่องชีวนี่เรื่องใหญ่พี่น้องอย่ามองเป็นเรื่องเล็กต้องเรียนนะอาต่อมาครับอายะที่เท่าไหร่นะ64ว่ามาอัลเลาะนั่งเลกันคิตาบและเราไม่ได้ประทานคำพีเล่มนี้ ลงมาเพื่ออื่นใดเนี่ยกุรานที่เราถือกันอยู่เนี่ยพี่น้องเป็นความรู้เป็นศาสตร์ทุกศาสตร์เลยพี่น้องคำเพียร์คุรานะสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องใหญ่ๆหสามเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องเตาเฮดเรื่องอัลลอฮ์มีองค์เดียวห้ามตั้งภาคีนี่เรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องที่สองเรื่องอะไรพี่น้องอัลบาสุบะดัลเมาต์ตายแล้วฟื้น ทำไมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะคนส่วนใหญ่เชื่อว่าตายแล้วตายเลยตายแล้วตายเลยไม่ฟื้นแต่กุรานอัลลอฮฺจะเน้นว่าตายแล้วฟื้นนะตายแล้วฟื้นไม่ใช่ตายแล้วตายเลยอาวิธีอธิบายก็นี่ให้เห็นเนี่ยแผ่นดินพื้นที่ที่แห้งแล้งไม่มีต้นมนตต้นไม้ขึ้น พอฝนตกลงมาอะไรขึ้นก่อนหญ้าขึ้นก่อนถามว่ามาจากไหนเหมือนกันต้องการจะอธิบายให้มนุษย์เห็นว่ามนุษย์เนี่ยตายแล้วไม่ใช่ตายเลยตายแล้วฟืนเรื่องที่สองเรื่องที่สมในคัมภีร์คุณอา่านอธิบายไว้เรื่องฮารอมกับฮารานไว้ชัดเจนเลยฮารอมอันนี้ห้ามนะอันนี้อนุญาตให้ทําได้นะในคัมภีร์กรุณอา่านอธิบายเอาไว้ แต่นี้ไอ้ระวงังคารองกับคารานเนี่ยไอ้ของซูบูฮารดเนี่ยต้องระวงังเอ้เราสงสัยอันนี้มันคารองหรือมันคารานเนี่ยอ่ะอยาไปทานอาหารที่ซีคอนเน่ยเดืนอนอามอธรเนี่ยแอบไปทานอาหารที่ซคอนนึกว่ามันมีใครเห็นมังครูไม่เห็นไม่มีปัญหาแอบทานเนี่ย้ยอนไม่เห็นแอบทานที่ที่ซีคอนแต่ที่ไหนได้อลลอฮฺเห็น ติดวงจรติดเต็มไปหมดเลยเนะี่ยทีพอไปกินก๋วยเตี๋ยวตัวนุ่นมันนึกเอ้ไอ้ถ้วยเนี่มีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่สองร้านแล้วถ้วยนีย่มันใส่หมูใส่เม่นใส่นุ่นใส่นี่เรากินได้ไหมถ้าสงสัยเมื่ อ, อไรห้ามกินฮะดิษอธิบายดีนะ ว, น ว, ว่ามันว่ากอฟิชูบูฮา ว, ว่าก่อาฟิลฮารอม ใครที่ถลำตัวไปกินของที่สงสัยไปปฏิบัติของที่สงสัยว่าก่ออาฟิลฮารอมเท่าเข า, เขาถลำไปตกไปทำของที่ฮารอมแล้วถ้าสงสัยว่าถ้วยมันสะอาดหรือเปล่าจานมันสะอาดหรือเปล่าถ้าสงสัยอย่า ก, กินเลยออกมาจากซิคอนมากินร้านอาหารหน้าโรงเรียนอยู่เป็นสุขปลอดภัยที่สุด ว่มันว่วฟามานิตตะกศูบูฮาใครที่ยับยั้งตัวเองเนี่ยไม่กินของที่สูบูฮาสงสัยฝากอดิสตัปรอาลีดีนี่คนนี้เขาได้รักษาศาสนาของเขาไว้แล้วก็ชื่อเสียงของเขาไว้เกียรติยศของเขาไว้ถ้าถล่มลงไปปฏิบัติในของที่สงสัยว่าก่ออาฟิลคารอมเท่ากเขาอะไรนะถาล่มไปใน ปฏิบัติในของที่ฮารอมนี่อิสลามพูดชัดเลยฉท่านกุรอานเนี่ยสอนเรื่องใหญ่ๆกี่เรื่องนะสามเรื่องหนึ่งหนึ่งเรื่องเตาเฮดสองเรื่องอะไรนะเรื่องอัลบาสุบาดัลเมอดฟื้นหลังตายเรื่องที่สามฮาราลและฮารอมชัดเจนเลยอที น, นี้ว่ามาอันซัลนะอะไลกัลกิตะและเราไม่ได้ประทานคัมภีร์เล่มนี้ลงมาเพื่ออื่นใด อิลลิทูบายยินาลฮุมเพื่อเว้นแต่เพื่อให้มมฮัมหมัดเนี่ยนำอาลกุรอานที่อัลลอฮประทานลงมาเนี่ยนำเอาไปสอนสอนสอนสอนสอ น, ส อ, น, ส อ, น, ส อ, นอธิบายในข้อที่พวกเขาอิคตาลฟูฟีที่พวกเขาขัดแย้งกันอายานนี้ตรงนั้นจะปลอบใจนบีด้วยเพราะนบีสอนคนไม่เชื่อ นบีสอนคนไม่เชื่อแล้วก็นบีถูกตำหนิจากประชาชนสามใหญ่สามเรื่อง ใ, ใหญ่หนึ่งมจนุนูนบีเป็นคนบากาะหินนบีเป็นหมอดูแล้วก็นบีเป็นซาเฮตเป็นนักมายากลเนี่ยถูกด่าจากประชาชนเราเองวันนี้รวมกันคนนำสุ น, นัขเข้าบ้านอ่าอยู่มาจากจังหวัดไหนก็ตามหมู่บ้านไหนก็ตาม มาเรียนซุนนะเอาซุนนะเข้าบ้านสิ่งแรกก้อนหนึ่งบ้าหรือเปล่ามาจะโน่นเปล่าเพราเนี่ยภาษาเสียดูดูดูพูดดูพูดดูดูดูดูมันทําอยู่มันทําถูกตำเนียหมดนะนบีถูกตำเนียสามข้อใหญ่ๆแล้วเราจะไม่ถูกตำเนีเหรืออย่างน้อยสิบผมเนี่ยลงท้าเด็กอเดียนีนี่แหละกอเดียนีสารพัด อ๋ออยากจะคุยเรส่วนตัวอิลลัลิทุบายยินาลฮุมุลลาซิขตาลาฟูฟีเพื่อให้นบีมุฮัมมัดเนี่ยนำอัลกุรอานเนี่ยไปชี้แจงไปสอนไปบอกสิ่งที่เขาขัดแย้งกันอธิบายแล้วนะมะกุรอานอธิบายกี่เรื่องนะสามเรื่องใหญ่ๆเรื่องอะไรนะเรื่องเตา heat สองเรื่องอะไรเรื่อง อาาัลบาอุบะดิมาเรองอัติได้หมดเลเรื่องที่สามเรื่องฮาลาลฮารอมชัดเจนเลยกุรานเป็นอะไรอีกครับฮูดาฮูดาวะรอห์มะอ่าคุรานเป็นทางนำนำใครนำที่ใจเนี่ยคนที่อ่านคุรานแบบตั ด, ด บ, บุรแบบอะไรนะแบบพินิตพิจารณาเนี่ย คนที่อ่านกุงอ่านฟังกุงอ่านแบบตะดับบุตรพิจรารณาอัลลอ์จะให้ฮูดาทางนำพอได้ทางนำแล้วนำมาไปปฏิบัติได้รอฮ์มะความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานาอูวตาฮฺแล้แต่ที่คนอ่านกูอานะ่านียมีส่วนใหญ่เนะี่ยพวกเราศาสนาไม่ได้เรียนที่จะเรียนบ้างก็นเนี่ยคนที่อะไรนะเรียนตั้ชีวิต อาจารย์ส่หวังมุสตาฟาดีาทีสอนตวิถึงนัละถาเป็นมมมูงเขา้าก็ฟังอยู่เรื่องเดียวอ่านตัวไอไม่ชัดเลยมันอ่านตัวดอดไม่ชัดยมันอ่านตัวฮาเล็กฮาใหญ่ไม่ชัดกุมไหนอลาาุลามะตะวิอ่าคนนึกอยู่ร่วม เ, เรื่องเดียวจับผิดง่ะ อีดีนะรูวารต้องสิสิสระอปลพอลอ่ลแ ล, ล, ล้นีนะอันงามอันามตองอ่าอใช่ไแบบนี้ตะดับบทไหมไม่ถึงขั้นตะดับบทตะดับบทหมายถึงนึกถึงความหมายของอัลกุรอานนั่นเรียกว่าตะดับบทแต่ที่คนจะตะดับบทกรุรอานได้ก็ต้องเรียนสื อ, อยอะ ถ้าาอ่านกุณอ่านเนี่ยอ่านแปลไทยแปลไทยอ่านพออิหมามอ่านส่วนไหนก็ตามแบบนึกโอ้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้อิหมานเพิ่มมั้ยอีหมานเพิ่มนมานก็ไม่ค่อยง่วงไม่ค่อยหลับคนที่ไม่รู้เรื่องเลยนเนี่ยก็อ่านยาวต้องรู้อ่านต้อ่านจกูน่ะง่วงนอนจะแย่อยู่แล้วไอ้มาน้ำมานนี่มันก็หืมสบัดอดทนมามาเจออ่านยาวอีก ลมขึ้นเลยฉะนั้นเป็นมุสลิมต้องอ่านกูรอานเยอะๆต้องหาความรู้จากกูรอานตัดับบุตรกูรอานถึงจะได้ผูดันวรห์มาอัลลอฮฺาวร์มาลไอลเป็นข้อเตือนใจเป็นทางนำเป็นรัชมาจากอ AH, ัลลอฮุ سبحانه และ تعالى นะครับลิกามียุมินูนเป็นความเมตตาแก่ผู้ที่ แกประชาชนผู้ศรัทธาอาวัยะสุดท้ายพี่น้องครับจะหมดเวลาแล้วสงสารพี่น้องนักเรียนเนี่ยมานั่งหลับๆตื่นๆนะอุ้มวัลลอฮฺอันซาละมินัสซาอีมาอ่าเนี่ยอัลลอฮ์เปรียบเทียบนะกุ ร, รานที่อัลลอฮฺประทานลงมาเหมือนอะไรวัลลอฮ และอัลลอฮ์ทรงประทานอันซาลาทรงประทานมีนัสสามาจากฟ้าฟ้ามาอันทรงไหลลงมานะนา้าฉะนั้นคุรานกับน้ําเหมือนกันคล้ายกันอันคนที่มองคุรานคุรานลันได้อะไรอ่านคุรานมันได้อะไรอ้รอาวถ้ามองไม่ออกก็มองน้ําเวลาอัลลอฮ์ให้ฝนตกลงมาได้อะไร คล้ายๆกันเนี่ยความคิดง่ายๆนะอันจะได้ บ, บินัสมาอิมาอันอัลลอฮ์ให้น้ำฝนตกลงมาจาก ฟ, ากฟา้ฟาฟ้าฟ้าอาฮัยบิฮิลอัลด้วยน้ำนี่แหละอัลลอฮ์ทรงชุบชีวิตแผ่นดินใช่ไหมให้แผ่นดินนั้นมีชีวิตชีวาจริงเลยไหมจริงจงิมองด้วยสายตาเลยนะ แต่กุรานมองด้วยสายตาไม่เห็นต้องมองด้วยอะไรหัวใจเอาหัวใจมองอพิจารณาด้วยสติปัญญาด้วยใจด้วยสมองด้วยความคิดถึงจะเห็นเช่นนั้นน้ำฝนมองด้วยสายตาโอ้ฝนตกลงมาอบอุ่มเย็นชํำไปหมดเลยกลางคืนก็ไม่ร้อนกลางวันก็ไม่ร้อน แอร์ก็ไม่ต้องเปิดพัดลมไม่ต้องเปิดประหยัดเงินนี่มองด้วยสายตายเห็นชัดๆเลยกูอานมันยิ่งกว่านี้อีกมีขนาดฝนอลัลลอฮ์ให้มาเนี่ยเห็นไหมต้นบุงต้นไม้งอกไหมโอ้โหต้นไม้ผลมะเจริญดูสิอะไรนะพวกกบเกือบคงเขียดสารเสริญอัลลอฮ์เห็นไหมอบแบบอบอบแอบอบแอ บ, อบทนนอนเฉย อัลลอ์เนี่ยสัตว์ทุกชนิดนะสามรเสริญต่ออัลลอฮ์นะมีอุลามาอยู่คนก็อธิบายดีเขาบอกว่าสัตว์นะคนนี่นะท่าสูญยุดของคนหมายถึงเอาจะมู่ศีรษะใช่ไหมวางไว้กับพื้นนั่นเป็นท่าสูญยุดของมนุษย์สัตว์ล่ะ สัตสุจูตอรอตอนที่มันกินน้ากินหญ้ามันเอาปากไปจมูกของมันก้มลงไปนั่นเป็นการสูญยุทของสัตว์เหมือนคนสัตว์ตอนกินน้ากินหญ้ากินอาหารมันก้มหน้าไปนั่นสูญยุทธ์ของมันส่วนมนุษย์นั่นถ้ายืนสูญยูทธ์ไหมไม่มันตรงท่าได้นะถ้าสูญยุทจริงๆเนี่ยนั่งเนี่ยนั่งเอามือลงไปเอาศีรษะลงไปนั่งเป็นท่าสูญยุทของมนุษย์ท่านมนุษย์เนี่ยสูญยุท ใครสูดจูดมากกว่าการสัตว์สุดจูดมากกว่ามนุษย์พราะว่ากินกินน้ํากินทีมสูดจูดทีหนึง่งกินญ้าทีมันสุดจูดทีหนึงแต่เราเนี่ยทําตัวมันสัตว์ไหมคนต้องคิดต้องใช้ปัญญานะครับท่านี้เป็นตัวบารดาเมติฮะหลังจากที่มันได้แห้งแล้งหลังจากตายแผ่นดินมันตายแผ่นดินที่แห้งแล้งเอาล้อให้ฝนตกลงมาอู้หูชุบชีวิต นะครับอินฟิเรลิกาลาอาแท้จริงในนั้นมีสัญญาณสําหรับใครหรือเขามีสมาสําหรับประชาชนผู้ฟังผู้ฟังพี่น้องจุบจากกุรานี่แหละคุรานี่นะหนึ่งนี่ขบวนการตัดับบทคุรานได้3ามอย่างหนึ่งคนที่อ่านกุรานศึกษาอัลกุรานส่งลูกส่งหลานเรียนคุรานพี่น้อง กุรอานหนึ่งทำให้คนจะเฮลเรียนกุรอานอย่างเดียวนี่นะทำให้คนคนโง่เขาาเบาปัญญาเนี่ยกลายเป็นอาเลมได้ใช่หรือไม่ใช่เปลี่ยนแปลงคนได้ไหมได้เรียนกุรอ่านอย่างเดียวไปน้องเลิกชิริกเลิกบิดะะถ้าอ่านกุรอานนะเลิกชิริกเลิกบิดะะเลิกทำความชั่วด้หมดเลยเลิกได้หมดเลยกุรอาน แล้วก็ได้ชื่ออะไรนะจากคนยาเฮนเป็นอาเลมเรื่องที่สองอ่านคุรานทำให้หัวใจที่ตายด้านหัวใจนะหัวใจที่ตายด้านให้มีชีวิตชีวาใจมันสว่างขึ้นจากคุรานนี่แหละเรื่องที่สามหัวใจนะคนที่จะเข้าใจคุรานต้องตั้งใจฟังอัลกุรานต้องตัย้ยจุจริงจริงาริจา หายเงาด้วยนะหายเงาผมเคยนั่งอ่านตั้ซียคุณอ่านบางทีนั่งอ่านนั่ ง, น, งนั่งแต่แต่นามาดอิช่าบางทีตีหนึ่งอุลยนี่ตีหนึ่งแล้วเนี่ยมั น, ม, นมันหายเงาอะ่ะแพดเดียวอุนน้ตีนงอย่างเงี้เป็นต้นแต่ท่านคนตัดับบุรุุอ่านเนี่ยอุ้ยให้สามอย่างหนึ่งเปลี่ยนจากคนไม่เอาไหนมาเป็นคนเอาไหน สองคนที่หัวใจตายด้านทำให้หัวใจของเขามีชีวิตที่ว่ากระปีกระเปา๋าอันที่สามนะครับหัวใจที่ตั้งใจฟังอย่างยามีอคตินะจะได้รับทางนำจากอัลลอฮสุภานหัวใจเราคนที่รับอิสลามเพราะคุารานเรื่องนี้เยอะมากเลยอ่นานคุรานรับอิสลามเลยแบบนี้เป็นต้นเอ้าพี่น้องสรุปเรื่องใหญ่ๆก็คือว่า ถ้าเราพิจารณาเรื่องที่อัลลอฮประทานลงมาเนี่ยจะเห็นแสงสว่างเต็มไปหมดเออขอคู่เรื่องเรื่องอันเนี้ยเนี่ยวัวควายเราเนี่ยจะเราเลี้ยงอยู่เนี่ยสัตว์เนี่ยพอมันได้กินอาหารลงไปนัสเกตนะพอกินอาหารลงไปในท้องมันเนี่ยนะอัลลอฮเหมือนกับมีโรงงานเนี่ยอยู่ในตัวสัตว์เนี่ยอะไรบ้างส่วนหนึ่ง ที่กินเข้าไปนั่นเป็นของเสียถ่ายออกมาเป็นมูลสัตว์ใช่หรือไม่ใช่อันที่สองส่วนหนึ่งนำมาไปเป็นเลือดไปเลี้ยงร่างกายอีกส่วนหนึ่งเป็นน้ำนมให่ไหมกินอาหารเนี่ยกินอาหารชนิดเดียวกันนี่แหละนามพอกินไปภาพเนี่ยอร่อยแยกสามอย่างนะหนึ่งเป็นเป็นขี้เป็นมูลสัตว์ออกมา มันนุษย์ก็เหมือนกันโรงงานข้างในเนี่ยเป็นโรงงานเป็นแฟกซ์ตี้อโล่อโรงงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยจัดโน่นจัด น, ดนี่จัดนี่ออกมาออกไอ้คนมันนมไม่มีนั่นแหละน้ำนมอ่ะเอา้าดูนมมีที่แม่ใช่ไหมล่ะใช่ไหมสัตว์เนี่ยดูสัตว์ที่เปน้องกินอาหารอย่างเดียวลงไปในท้องออรอสไปตั้งโรงงานยังไงขจัดของเสียยังไงออกมาเป็นสามรายการหนึ่งเป็นเลือดสองเป็นน้ำนมสามเป็นมูลสัตว์คิด พิจารณาเราจะนึกถ <bas> <ée> ึงอัลลอ์นึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุบฮานะวตะอ้าวพื่น้องวันนี้คุยกันแค่นี้นะครับขอท่าอ้ต่ออัลลอฮ์ให้ท่านเพื่น้องนำเอาข้อคิดจากอักุรอานเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจาวันสุบฮานะกอัลลอฮุมมาวอกจะั้มดีก่อัลชาดุอัลลอิลาฮิอิลลัตอัอัสตัฟรุกวาตูบิไลกัสลามุอะลัยคุมาระห์มัตุลลอฮฺวะบรัก